เจ้าคุณเลิกทำวัตถุมงคลหลวงพ่อตอบว่าผมไม่เคยทำสักทีหลวงปู่มีแต่คนอื่นเขาทำหลวงปู่เทสท่านบอกว่านั่นแหละคนอื่นต่อไปนเนี้ยอย่าให้ทำเพราท่านสั่งแล้วก็มาบอกเลิกหมดบางคนมาบอกว่าเป็นนี่เขาอยู่แสนหกหมื่นอ้าวเป็นนี่เขาแสนหกหมื่นเก็บรวบรวมสิ่งของที่เหลือมาทําบัญชีมา ขายไปแล้วเท่าไรยังเหลือเท่าไรเป็นหนี้เขาเท่าไรชำระเขาไปเท่าไรแสนหกหมื่นผมรับผิด ช, ชอบเองป่านี้ก็ยังไม่นำมามอบให้ทีแรกเขาว่าขอทำเพื่อหาเงินมาให้วัดทำไปทำมามันก็เป็นธุรกิจส่วนตัวไปเสียบางรายก็ลุงพ่อจะทำนวดจะทำหนี้จะซื้อเครื่องมือแพทย์จะช่วยหลวงพ่ออา้าวทาไปทามาเขาไม่ให้เราหรอก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 เราก็ไปนั่งอยู่เฉยๆเออญาติโยมเอาเงินมาช่วยสร้างวิหงวิหารหน่อยก็ไม่เคยบอกเป็นนั่งอยู่เฉยๆแต่เขาก็เอามาสร้างให้เองไปจำพรรษาที่8ดริ้วพอไปหมอเซรีบอกว่าวัดเป็นหนี้ผมอยู่เจ็ดแสนหลวงพ่อก็บอกว่าจะเอาคืนไมล่ล่ะหมอเซรีก็บอกถ้าได้ก็เอาหลวงพ่อเลยบอก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 มีประสาทอยู่สามฤดูแล้วนั่นเนี่ย